ทำความสงบก่อนนะทำความโตกกายวาใจโดยเฉพาะใจที่ทำความตรวกใ จ, ใจคใจืออยากคิดฟุ้งซ่านอยากคิดเพ่นพ่านไปไหนพยายามรักษาวไว้ให้จิตใจอยู่กับตัวให้รู้ตัวอยู่ในนี้แหละธรรมดาจิต ก็ควรจะอยู่รู้ตัวบ้างแต่ส่วนมากมันไปรู้ข้างนอกรู้ที่อื่นอันนั้นไม่ดีทําให้หมดกําลังหมดความดีความงามถ้าเรารักษาจิตให้มันรู้อยู่ที่เรานี่แหละอันนี้จะทําให้เกิดคุณธรรมคุณธรรมอันแรกก็คือธรมารที่ก็คือสติคือสัมปชัญญะ สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนั่นนะจะเกิดขึ้นในเมื่อเราอยู่นี่แล้วไม่คิดไปไหนไม่ระลึกไปไหนระลึกอยู่แต่ที่ตัวเราเนี่อันนี้จะต้องฝึกก่อนเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการส่งจิตใจไปคิดเรื่องต่างๆสงเพเรเฮระมากมายเป็นเวลานา น, านมาแล้วทั้นจะให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว เหมือนอย่างคนโบราณท่านว่าให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวน้อยไปจะสุดแค่นี้มันก็ยากเหลือกเกินเรามีแต่ได้คิดไปที่อื่นตลอดมาหากทำใจให้สองบออไว้รวมไว้ในนี้อยู่ในตัวของเรานี่แหละเมือ่อกี้เราสวดอนัตตลักษณะสูตรในพระสูตรนั้นเราสวดเป็นภาษาบาลี เมื่อไรมีโอกาสไปไปอ่านดูไปศึกษาดูในคำแปลของพระสูตรอันนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่โครงการอะไรของเราเลยท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพธรรมะอนาัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรม ธรรมะต่างๆทั้งหมดทุกสิงทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดอย่างในตอนต้นนั่นบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารยิมยานเป็นอนาาัตตาคือไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรขวกเรานี้ของใครหรอกมันเป็นอนาาัตตามันเป็นของมันเราเดือดร้อนอย่างไร อย่างเช่นนั่งอยู่อย่างนี้แหละนั่งอยู่มีความเดือดร้อนเจ็บแสบเจ็บขาปวดเมื่อยมีความที่เกียดจิหงุดหงับกระส่ายต่งางๆเหล่านี้อันเนี้ยมันก็รวมอยู่ในนี้แหละเวทนามีความรู้สึกความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกคันรู้สึกอะไรต่งางๆเนี่ยความรู้สึกอันนี้ เขาเรียกว่าเวทนาเขาบอกเวทนาอนัตตาเวทนาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราหรอกมันเป็นเรื่องของดินน้ำไบลมถ้าจะพูดกันมันเป็นเรื่องของดินน้ำไบลมที่ประกอบกันแล้วเป็นก้อนอันนี้นะ่เป็นก้อนที่มีแขนมีขามีหัวมี ห, มหูมีตานี่แหละก้อนนี้แหละมันเป็นเรื่องของอันนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเราหรอก แต่ที่นี่ใจเราเนี่ยสจิตเราใจเรานี่แหละมันไม่อยู่นิ่งไม่ไม่อยู่เฉยมันไปเอาแล้วพอมันแปรปวนอะไรสักหน่อยแล้วเอาไปยึดไปจับแล้วไปต่อต้านบ้างไปเอาเป็นเรื่องเป็นราว น, นั่นนะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องก็ไปเอาให้มันมาเป็นเรื่องนี่แหละจิตของเราเนี่ยคือผู้คิดผู้นึกเราเนี่ย มันไปเอาสิ่งเหล่านั้นไปจับสิงเหล่านั้นมาเป็นตัวเป็นของตัวของคนเจ็บกอเราเจ็บแทนที่จะให้ขามันเจ็บก็มาเราเจ็บแทนที่จะนั่งจริงแล้วผนะู้ที่เจ็บนะี่ไงใจเราเนีย่ยเจ็บเรานีย่ยแหละมันเจ็บส่วนร่างกายนี่นเป็นดินน้ําไปลมมันนี่อาการอย่างนั้น มันมีตึงตรงนั้นมีเครียดตรงนี้อะไรของมันก็เหมือนเหมือนดินน้ําไฟลมเนี่ยนะบางอันมันก็แข็งบางอันมันก็เล้วบางอันมันก็เบาๆพัดไปพัดมาเนี่ยเนี่ยมืนก็เป็นอย่างนั้นของมันมันอยู่ในแข้งในขาเราหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าจิตเราน่ะสิตไปเอาบอกเอ้ยมีของข้านะ ของฉันนะไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตามใจฉันจะไปเป็นอย่างแกไม่ได้นี่อันนี้แหละคือเราไปยึดออกมาอันคําว่ายึดติทฉันใช้คําว่าอัตตาฉันจิเรตบอกแล้วบอกอีกรูปก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เรื่องใครรล่าอะไรไม่ใช่โครงการอะไรไม่ใช่ตัวเม่ใชตนอะไรรอกการพิจารณาเห็นสีต่างๆอย่างนี้เนะี่ย จะเป็นเหตุให้พ้นจากความปู่พันจะพ้นจากความทุกข์ไม่ว่ามันจะทุกข์ใหญ่ทุกข์เล็กขนาดไหนถ้ามันไปปูกปู่พันต้องกับจิตแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรอย่างก้อนหินเนี่ยก้อนหินก้อนนึงใหญ่มากเท่าสาราหลังนี้น่ะถ้ามันอยู่เฉยๆของมันนั่นน่ะไม่ไปเกี่ยวไม่ไปยุ่งของมันมันจะมา่นหนักอะไรกับเรา มันจะมาหนักถลายมันก็อยู่ของมันตรงนั้นะแต่ถ้าเมื่อไรเราเข้าไปแบกมันอยน่าเดียวอยู่ดีๆไม่เป็นจะไปงัดจะไปแบมกมันเมื่อนั้นหลับทุกทันทีหนักทันทีจิตเราก็เปรียบได้อย่างนั้นแหละถ้าสิ่งต่งางๆมันจะเป็นจะไปาตามเรื่องการลาของเขารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณต่างๆเหล่านีาน้ มันจะมีความแปรปรวนไปท่านพูดมีความแปรปรวนไปท่านกระถามพระปัญจวัคคีย์ว่าพวกเธอพิจารณาเห็นยังไงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ตอบพระองค์ว่าไม่เที่ยงก็จะฆ่านีนี้มันไม่เที่ยงทีนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นทุขเล่าก็บอกว่าเป็นเป็นทุกข์ ถ้ามันเป็นทุกข์เลยสมควรจะไปยืดเอาเรือมันว่าอย่างนั้นหน่าคิดในตรงนี้ถ้ามันเป็นทุกข์ยังยังอยจะไปยืดยังจะไปเอาอยู่สิ่งต่างๆที่มันเป็นอนิจจังทั้งหลายน่นมันเป็นทุกข์อยู่ในนั้นแล้วเป็นทุกข์ยังจะไปเอาอีกเหรอไม่สมควรเลยพระเจ้าข้านั่นแหละ ก็เลยสั่งก็เข้าใจอ๋อมันแอบอยู่ตรงนี้เองที่ทําให้ทุกข์นะมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราหลับหูหลักตาไปแบดไม่รู้ไม่รู้จักลืมหูลืมตาไม่รู้จักไม่เข้าใจไปเที่ยวแบดเที่ยวงัดอยู่นั่นทั้งที่ไม่เคยเรื่องเวลาอะไรเลยนะอันคําว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ต้นไม่ใช่ตัวเนี่ยนั่นแหละคืออนัตตา เมื่อพระปัญโยคีเข้าใจถึงที่สุดแล้วก็คือเข้าใจแล้วว่ารูปอดีเวทนาอดีสัญญาทั้งขันบิณ ญ, ญาณซึ่งทั้งหมดนี่มันจะประกอบเป็นตัวเราเนี่แหละจะเป็นตัวสรรับกระจัดเป็นอะไรต่างๆในโลกทั้งหมดเนี่ยรู้แล้วว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นเรื่องของมันนูน้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตก็เลยถอน้อนจากความยึดมั่นถูกมั่น ถอนจากความสําคัญมั่นหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องดีอย่างนี้อันนั้นคือเราไอ้นี่คือเราอันนั้นคือแข่งคือขาของเราอะไรอย่างเงี้ยมันถอนเอาหมดก็เลยพ้นจากความทุกข์ถึงแม้ว่าแข้งขาก็จะยังมีอยู่อาการที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะที่เรานึกว่ามันเจ็บเนี่ะมันก็ยังมีอยู่แต่ตัดทิ้งมันไว้นู่นก็เลยถอออกมาเลยหลุดพ้นนั่นแหละ พระสูตรอันนี้นะฮะอนัตตลกอณัสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสแสดงแก่พระปัญจวัคคีหลังจากนัมมจักกับวัรนสูตรทำมจักกับวัรนสูตรพอแสดงจบพระพระอัญญาโกนทัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันและต่อมาแต่ละองค์พระว ป, ปะ ปฏิยมหานามาปาสิจิก็ค่อยๆได้ดวงตาเห็นธรรมติดตามกันมาในวันต่อๆมานั้นเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าทั้งห้าท่านทั้งห้าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วคือพอจะเอาเรื่องสำคัญเรื่องยิ่งใหญ่มาพูดให้ฟังได้แล้วก็จึงทรงแสดงพระอนุกราธนะสูตรนี่แหละซึ่งสุดข้สูตรอนันนี้ถ้าจะเปรียบ ก็เหมือนว่าเป็นกุญแจที่จะไขบุคคลต่างๆให้หลุดพ้นออกจากพกุกจากข้อที่คุมขังทีหมดพระปัญจจรีเมื่อได้ฟังพระอนัสลัคณาสูแล้วก็ได้บรรลุพระอหรหันต์ทั้งหมดนั่นพระสูตรนี้นสำคัญมากเราเรามาพิจารณาดูไม่ใช่ว่าเราจะมาพิจรารณาเฉพาะ แต่ขณะที่เรามานั่งภาวนาอย่างนี้ให้พวกเราพิจารณาทุกๆขณะทุกๆเรื่องทุกๆราวทึกๆประจกพบผ่านเข้าทางตาอดีหูหุอดีจมูกลิ้นกายใจนนแะทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มาประจบเหมาะเท่านั้นให้พยายามพินิตรเจารณาเห็นว่าทีต่างๆเหล่านั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยแล้วมันก็ในที่สุดไม่ใช่เรื่องราวโคงการอะไรหรอก ไม่ได้เหมือนอย่างที่เรานึ้เราคาดเราหวังมันเป็นไปเฉพาะของมันไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีภาระหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยให้พยายามนึกพยายามคิดคิดารณาทุกสิทุกอย่างพยายามน้อมน้อมลงไปอย่างน้อกจะถามว่าอ้าวมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างที่ทรงถามพระปัญญกี๋ เออสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงถ้าถ้าเราไปมัวจะให้มันอยู่จะให้มันอยู่อย่างนั้นคือจะให้มันเที่ยงนั่นเองอย่างสมมติสิ่งที่ดีเราชอบอย่างนี้เราก็อยากจะยึดไว้ไม่ให้มันแปรมันเปลี่ยนละนั่นละเมื่อไปยึดแล้มันเป็นยังไงมันเป็นทุกข์แน่ๆอย่างนี้พิจารณาต่อไปว่าเออมันเป็นอนัตตา มันเป็นเรื่องของเขาการที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแปรไปนะี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดไปอะไรไปขัดไปขวางเขาได้มันขัดขวางไม่ได้อยู่แล้วก็มันไม่ยอมเชื่อยอมฟังเลยการที่ไม่ยอมเชื่อยอมฟังไม่ได้ตามจิตใจเนะี่ยนั่นแหละคือมันเป็นเรื่องของมันมันเป็นอนาาัตตาพระพุทธองค์ตรัสในตอนแรกบอกว่า ท่ามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเทาลาอะไรของเราไม่ได้อยู่ในโครงการอะไรของเราจังนั้นถ้าเปลือกจริงจังๆถ้าเปลือรูปเป็นของของเราแล้วเราไม่ให้รูปแปรปรวนมันก็จะได้แหละสิแต่ที่นี่เราจะไม่ให้มันแปรปรวนเราอยากจะสวยอยู่อย่างนี้เราอยากแข็งแรงอยู่อย่างนี้มันก็มาอยู่นั่นนั่นแหละท่านจึงบอกว่ามันเป็นอนัตตา มันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเมื่อเราพิจนารณาสิ่งต่างๆให้ลงไปสู่ความรู้จักว่ามันเป็นอนัตตาได้แล้วปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไป ท, ทันทีหมดไป ท, ทันทีไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องละเอียดเรื่องหยาบเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอะไรต่างๆพระพุทธองค์ตรัสไว้เนะี่ยจะหมด หมดความสำคัญหมดความหมายไปทันทีมันจะใหญ่มันจะเล็กยังไงมันก็ไม่มาเดือดร้อนอีกใจต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้ความเทศของหลวงปู่นั่งภาวนาการจิตสงบการที่เลยมาปังพระอนัตตลักษณสูตรสักทีห น, นึ่งแล้วก็ได้เข้าใจความหมายอย่างนี้อย่างที่เราพวกเราสวดนี่เป็นเรื่องที่ยากนา น, น, าน จีงจะมีมาจับพระองค์หลายแบบหลายกัน